เพราะฉะนั้นพระโสดาบันอยู่เกาะนี้หรืออยู่อีกเกาะหนึ่งอยู่ทะเลภากนี้หรือภากหนึ่งนะจะอยู่ที่ใดจะอยู่ในมนุษย์อยู่ในเทวดาศีลของพระโสดาบันไม่มีความต่างกันอริยมรรคศีลศีลในโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างพระโสดาบันทั้งหลายศีลของพระสกทาคามีทั้งหลายเนี่ยถึงจะอยู่ภพใดชาติใดเนี่ยศีลในมรรคผลก็ไม่มีความต่างกันศีลของพผ้านาคามีก็ไม่ต่างกันศีลของพระ้าหันก็ไม่ ต่างกันเรีกว่าเป็นผู้เสมอกันด้วยศีลอันนี้เป็นข้อห้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมที่ทําให้มีแต่ความเจริญอย่างเดียวโดยไม่เสื่อมก็คือเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันส่วนข้อหกบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายและทิฏฐิ ท, ท, ที่เป็นอริยะ เป็นเครื่องนําออกจากทุกภิกษุทั้งหลายยังจักถึงความเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรมารีทั้งหลายด้วยทิฏฐิเห็นปานนั้นทั้งในที่แจ้งและในที่รับเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกขั้งปวงของผู้กระทํานั้นตลอดการเพียงไรภิกษุพึงหวังแต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นะทิฏฐิที่เป็นอริยะหมายถึงสทิฏฐิที่สัมปยุต ด, ด้วยอริยมรรคเนี่ยนะทิฏฐิในโสดาปติมรรคก็คือสัมอะไรนะ โสดาปฏิมัติสัมมาทิฐินะโสดาปฏิมัติสัมมาทิฐิเห็นอะไรเห็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธาขามิหนีปฏิปทาอารยมัติ er สัมมาทิฐิอันนี้แหละเป็นทิฐิที่นําออกจากทุกเนี่ยนะเป็นทิฐิที่นําออกจากทุกไหนเป็นทิฐิเป็นปัญญาที่นําออกจากน ร, รก เป็นปัญญาที่นําออกจากการเกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานทั้งหลายเป็นปัญญาที่นําออกจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตสรุปว่าเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิที่นําออกจากวัฏทุกนําออกจากสังสารทุกข์นั่นเองบทว่าสัพพะทุขขับ ข, ข, ขยลายะเนี่ยนะได้แก่นําออกหรือเป็นทิฏฐิเป็นปัญญาที่นําออก หรือทําให้สิ้นทึ่งวัตถทุกขเนี่ยพ้นจากวัตตะโดยประการทั้งปวงก็พ้นจากวัตตะพ้นจากอะไรก็พ้นจากชาชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมณตและอุปาญาตถ้าโดยพก็พ้นจากนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานพ้นจากมนุษย์พ้นจากเทวโลกทั้งหลายนั่นเองพ้นจากอะไรนะพ้นจากวัตตะนะพ้นจากกรรมวิบากและ กิเลสทั้งหลายพ้นจากกิเลสถ้าสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็เป็นอันวัตสิ้นวิบากเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะทั้งหมดก็มีสัตตกะทั้งหมดอยู่ห้าสัตตกะเนี่ยนะเจ็ดห้าเท่าไหร่เจ็ดคูณห้าสามสิบห้าข้อสามสิบห้าบวกหกก็เป็น ่ก็เลย41ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามอาปิริหารนิยธรรมทั้ง41หัวข้อได้เนี่ยนะโอนี้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเจริญอย่างเดียวพ้นทุกได้แน่นอนรับรองเลยนะพระพุทธเจ้าประทับตา ร, รับรองว่าเจริญอย่างเดียวเสื่อมไม่มีไม่มีเสื่อมทูกอย่างเดียวไม่มีผิดเหมือนกันเถอะทูกอย่างเดียวไม่มีผิดนะที่จริงอะธรรมะหกเอ่อขอไป41หัวข้อเหล่านี้เนี่ยนะห้าสัจจะหนึ่งหกฉกกะเนี่ยนะ หศตตะกะเนี่ยนะกับอีกหนึ่งหกฉกกะเนี่ยเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบเป็นอย่างดีว่าเรานั้นแนวโน้มกําลังเจริญหรือกําลังเสื่อมตอนเนี้ยกำลังเจริญหรือกำลังเสื่อ ม, อนนลอลอมและแนวโน้มจะเจริญหรือจะเสื่อมดูจากสังคมสิ่งแวดล้อมดูจากคนที่เกี่ยวข้องดูจากอัธยาศัยดูจากอุปนิสยัยดูจากวิธีการวางเป้าหมายของชีวิตเป็นต้นว่าระยะยาวเนี่ยเจริญทางความเ จ, จริญเพราะถูกหลักฐานความเป็นจริง หรือว่าเจริญในความคิดหรือว่าเจริญในความเชื่อนะและความเจริญเหล่านั้นพ้นจากทุกได้เป็นต้นจริงไหมเนี่ยนะก็สํารวจตรวจสอบดูอภรร han ิยธรรมเกี่ยวกับเรื่ององมีองค์ประกอบองค์คุณเนี่ยนะมัวแรกเลยนะั้นก็คือในระดับสังคมนะผู้รวมๆในระดับสังคมเช่นข้อหนึ่งประชุมการบ่อยๆสองพร้อมเพียงการประชุมแล้วก็ช่วยกันทํากิจสี่ไม่บัญญัติเพิ่ม สีข่ข้อสามเนี่ยนะไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิ่มขอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติสี่บูชาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ข้อห้าก็ไม่รู้อํานาจแก่ตันหาก็คือไม่มีตันหาที่เรียกว่ายินดีในรถเป็นต้นเนี่ยพาไปสู่วัฏะแล้วก็เป็นผู้ที่ยินดีในเสนาสนะราวป่าตั้งสติไว้เพื่อที่จะได้พบผู้มีศีลที่ยังไม่มาผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขกันนะ นั้นกลุ่มเจ็ดข้อแรกนี้ก็คือในองค์ประกอบในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนสัพพรมารีผู้มีศินทั้งหลายแปลว่าถ้าปฏิบัติใต้ดานี้องค์กรก็เจริญส่วน อ, ป ร, อปริหานิยธรรมศัตรกที่สองเนี่ยนะก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวกับส่วนตัวไม่ยินดีในการมานไม่ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีในการหลับไม่ยินดีในการคลุกคลี เป็นผู้ไม่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปไม่คบคนชั่วถ้ า, าได้คุณธรรมชั้นต่ำก็ไม่เลิกในระหว่างมาค่ะว่าถ้าไม่ถึงที่สุดก็ไม่เลิกในระหว่างอันนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วตั้งแต่วิธีการใช้ชีวิตเนี่ยนะใช้ชีวิตใช้ชีวิตว่าทำอะไรอยู่ปกติชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างชอบคุยไหมชอบนอนไหมคลุกคลีกันบ่อยไหมปรารถนาด้วยจิตที่เป็นอกุศลหรือเปล่า มีใครเป็นเพื่อน like ละ่ะตอนนี้บางั้นคบใครอยู่เพื่อนเห็นเพื่อนได้ยินเพื่อนเพื่ อ, เ พ, อเพื่อนคุยเนี่ยเป็นใครเนี่ยนะหรือได้คุณธรรมบอกพอแล้วได้นิดนหน่อยหก็พอแล้ว อ, อ่ น, นะหรือไม่หรือถ้าปฏิบัติตามแบบาไม่อะไรนะไม่ยินดีในการงานไม่ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีในการหลับไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ปรารถนาเป็นบาปไม่คบเพื่อนชัว่วไม่เลิกในระหว่างทางถ้าอย่างนี้ก็เจริญได้โดยส่วนเดียว ส่วนสัตตกะที่สามเนี่ยนะสัตตกะที่สามก็เกี่ยวกับสัตธรรมเจ็ดเนี่ยนะสัตธรรมเจ็ก็คือเช็คตรวจสอบดูว่าเรามีศรัทธามีหิริมีโอตปะถึงความเป็นพหูสูตรมีความเพียรมีสติเข้าไปตั้งเอาไว้มีปัญญาหรือไม่ถ้ามีคุณธรรมเจ็ดประการเหล่านี้คือมีศรัทธาหิริโอตปะสุตะมีวิริยะมีสติมีปัญญาถ้ามีคุณธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม นนเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในคุณธรรมภายในธรรมะที่ทําให้ช่วยพ้นทุกภายในส่วนสัตตกะที่4อัปริหานิยธรรมก็คือโพชฌงเจตถ้ายังเจริญโพชฌงเจตอยู่เนี่ยนะก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเนี่ยถ้ายังอบรมเจริญอ่าโพชฌงทั้งเจอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละหรือที่เรียกว่าเจริญโพชฌงที่อา่าโพชฌงทั้ง7ประการเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วเนี่ยนะ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานหรือถ้ายังเจริญสัญญาที่เป็นไปในส่วนแห่งการชำร่กิเลสเจประการคืออนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาอสุภาสัญญาอาทีนวสัญญาปหานสัญญาวิราค้าสัญญาและนิโรธสัญญาเรียกว่าสัญญาเกี่ยวกับนิเพธภาคิยสัญญาสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งการชำร่กิเลสเป็น สัญญาที่เป็นไปกับอนุปัสสนาเป็นสัญญาที่นําออกจากวัตถุกสัญญาเหล่านี้ก็เกิดร่วมกับปัญญานั่นเองเนี่ยนะเกิดร่วมกับวิปัสนาปัญญาเป็นต้นเพราะผลถ้ายัางเจริญวิปัสนาอยู่ก็พ้นจากทุก์แน่นอนส่วนฉักสัตตกะขอไปฉักกะนะฉักกะหมวดหกฉักกะหมวดหกนั้นมีอยู่ก็คือสารานิยธรรมหประการเนี่ยนะ เมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังบริโภคปัจจัยสี่โดยสาธารณเนี่ยนะได้ตัวเองอ่ะปัจจัยของตัวเองน่ะทำให้เป็นสาธารณะไม่ใช่ปัจจัยตัวเองนี่ปิดหมดใช้แต่ของสาธารณไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็มีศีนที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิที่นําออกจากทุก คุณธรรมทั้งดังกล่าวที่ไปลที่กล่าวไปแล้วหกสี่สิบอหัวข้อคุณธรรมเหล่านี้นำออกจากทุกได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมไม่มีผิดไม่มีพลาดไม่ต้องแก้ไขเนี่ยนะไม่ต้องตามแก้ไขเพราะอะไรเพราะทำแต่สิ่งที่ถูกทำแต่สิ่งที่เจริญเนี่ยนะทแต่สิ่งที่ถูกทาแต่สิ่งที่เจริญเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแน่นอน ครั้งนั้นเนี่ยนะตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองราชครึกหรือประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่บนภูเขาคิจกูดใกล้กรุงราชครึกนั้นนะ่ะกระทำธรรมีกาถานี้แลเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าศีลเนี่ยมีอยู่ประมาณเศีลมีอยู่ด้วยประการชนิด สมาธิมีอยู่ด้วยประการชนี้ปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี้ก็แจกแรงรายละเอียดเกี่ยวกับอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาซึ่งเป็นาศาสนะพรหมจรรย์ศาสตร์เพราะคําว่าพุทธาศาสนาเนี่ยนะโดยเฉพาะาศาสนะพรหมจรรย์ น, นั้นหมายถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาก็จำแนกว่าศีลมีประมาณเท่านี้สมาธิมีประมาณเท่านี้ปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสงมากแสดงว่าศีลเนี่ยเป็นบาทชั้นดีของสมาธิถ้าสมาศีลดีมั่นคงและตั้งมั่นสมาธิก็จะเจริญงอกงามเป็นสมาธิที่มีผลมากเมียนิสงมากปัญญาที่ได้รับการอบรมจากสมาธิเนี่ยนะคือสมาธิเป็นตัวไปอบรมปัญญาสมาธิเป็นตัวอ บ, อบรมปัญญาเนี่ยจะทำให้ปัญญานั้นมีผลมากเมียนิสงมาก ส่วนจิตเหล่าใดที่ปัญญาอบรมแล้วก็หลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากอาสะวะทั้งหลายกล่าวคือการมาสะวะผวาสะวะอวิชชาสะวะดังนี้อันก็ประกาศใจความสาระสาคัญของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธศาสนาจะชี้แจงประกาศแต่งตั้งสอนไว้เยอะแยะมากมายไปหมดแต่สิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วสอนเพื่อให้มีอะไรให้มีศีล พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญด้วยกุศ ล, ลศีลเจริญด้วยกุศลสมาธิเจริญด้วยกุศลคือปัญญาเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่อบรมศีลสมาธิและปัญญาเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วนะก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายอธิบายเพิ่มเติมว่าเอตเทวพระหูลังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงโอวาทที่สุดทั้งหลาย จึงทรงกระทำทรมีกระถาอย่างนี้นี่แหละบ่อยๆเพราะกใกล้ต่อปรินิพานจำนวนเหมือนอย่างว่านะอะไรที่เป็นเหมือนกับไม่เด็ดเนี่ยนะไม่เด็ดที่อะไรที่จะช่วยให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอะไรที่จะเครื้อกูลให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นแล้วก็จับทิศทางในการศึกษาและการปฏิบัติมีแก่พระพิสุทข์ทั้งหลายโดยประการใดพระพุทธเจ้าก็แสดงโดยประการนั้นสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ แก่พระพิสุในยุคพระพุทธกาลสมัยพุทธกาลด้วยเป็นไปแก่พระพิสุในยุคลังหลังจวบมาจนถึงปัจจุบันด้วยมีประมาณเท่าใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็แสดงธรรม ท, ทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นก็ชี้แจงเลยว่าอิติศีลังศีลเป็นอย่างนี้ศีลมีเท่านี้เนี่ยนะก็คือสอนเรื่องศีลก็คือศีลคืออะไรจตุ ป, ปาริสุทธิศีลความบริสุทธิ์แห่งศีลสีรประการความบริสุทธิ์แห่งปาฏิโมกขสังวรศีลอินทรี์สังวรศีล ปัจจะยะสานิสิตสีนและอาชีวปาริสุทธิศีลศีลมีอิติสีหลังด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าศีนสีลหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลหรือศีลวิสุทธินั่นเองนะนะหมายถึงศีลวิสุทธิเอจิตเตกคตาในชื่อว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธิมีอย่างนี้สมาธิมีเท่านี้เกี่ยวก็เรื่องสมาธิทั้งหลายหมายถึงสมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิและ อปปนาสมาธิเนี่ยนะสมาธิหมายถึงจิตที่เป็นเอกคตาไม่มีความฟุ้งซ่านความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตะสภาพที่จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่เป็นบาตแห่งทิฏวิสุทธิเนี่ยนะคือสมาธิอันนี้เกิดจากรักษาศีลอย่างดีศีลที่เจริญดีแล้วทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านถ้าศีนไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าศีนดียังไงก็ไม่ ฟุงฟ้งซ่านเพราะฉะน้นศีลที่รักษาจนดีเพียงพอเนี่ยไม่นํามาซึ่งความฟุง้งซ่านเดือดร้อนรําคาญหงุดหงิดเป็นต้นไม่มีมันศีลที่เจริญดีแล้วเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อจิตเป็นเอกคตาในเรียกว่าจิตที่เป็นเอกคตาก็แบ่งเป็นอะไรอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเนี่ยนะอัปปนาสมาธิก็แบ่งเป็นรูปปัจจานและอรูปปัจจานทั้งหลายสมาธิเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าจิตตวิสุทธิความบริสุทธิแห่งจิต อันนี้ก็เป็นบาตแห่งวิปัสนาเป็นบาตแห่งกงังทิถิวิสุทธิเป็นบาตแห่งกังขาวิตรนะวิสุทธิเป็นบาตแห่งมัคคามัคยาณทัศนวิสุทธิเป็นบาตแห่งปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคืออนุปัสนาทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อญาณทัศนวิสุทธิคืออรยิยมรรคนั่นเอง